บทที่สิบสามแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับคนที่ประพฤติตัวไม่ดีเช่นคนขี่เหล้าเมายาเล่นการพนันจะได้หาเมียไม่ได้เพราะไม่มีใครมาขอท่านพระครูออกเห็นด้วยกับประเพณีผู้หญิงขอผู้ชายแล้วทันละ มีใครมาขอบ้างหรือยังหลวงพ่อวัดดอนเมืองยาวพระมกุเทศก็แม้ผมไม่รู้จะตอบอย่างไรดีเพราะถ้าตอบไปตามตรงท่านก็จะหาว่าผมคุยโวโ อ, อ้วดครั้นจะตอบไม่ตรงก็ผิดศีลข้อมุสาผมชักจะลำบากใจซะแล้วจิพระภิกษุวัย37รู้สึก ลำบากใจดังว่าผมว่าท่านตอบตรงไปตรงมาดีกว่าเพราะผมอยากฟังเรื่องจริงที่ไม่ต้องอิงนิยายพระทวัชชัย39เสนอผมเห็นด้วยพระกุณทศกับพระรสสุคนพูดขึ้นพร้อมกันเป็นไปได้ว่าเพราะอายุเท่ากันจึงพูดพร้อมกันพระเจริญพูดเลี่ยงไปว่า ขออาภายัยผมยังไม่ทราบชื่อพระคุณเจ้าอีกสีรูปเลยทราบอยู่รูปเดียวที่พ้องกับผมหลวงพ่อชื่ออะไรครับท่านถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองถ้าท่านอยากรู้ก็ไปดูในพัสสปอร์ตที่โยมผู้นำทัวร์เก็บไว้หรือถ้าไม่อยากลำบากก็เรียกผมว่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองก็ได้ภิกษุวัยใกล้เจสบตอบ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 อายุพรรษา19พระทวัตตอบเกินคําถามผมชื่อพระขุนทดอายุพรรษาเท่าพระทวัตผมชื่อพระรสุคนอายุพรรษาเท่าพระทวัตและพระขุนทดท่านเป็นคนอําเภอด่านขุนทดใช่ไหมครับพระมกุเทศถามพระขุนทดผมเป็นคนทุกอําเภอครับไม่ได้เป็นคนเฉพาะอําเภอด่านขุนทด พระคุณทศเริ่มเรียนแบบหลวงพ่อวัดดอนเมืองเรื่องการพูดยวนหมายความว่าอย่างไรครับพระมะกุเทศรับมุกไม่ทันก็หมายความว่าผมเป็นคนทุกอำเภอที่ผมไปเช่นผมไปอำเภอเมืองผมก็เป็นคนผมไปอำเภอปักธงชยัยผมก็เป็นคนผมไปอำเภอสูงเนินผมก็เป็นคน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 และท่านหลักครับขอประทานโทษทำไมท่านชื่อเหมือนผู้หญิงท่านถามพระรสุคนถ้าท่านอยากรู้รายละเอียดก็ต้องไปถามโยมพ่อโยมแม่ผมแต่ถ้าอยากรู้คร่าวๆถามผมก็ได้คือโยมแม่เล่า ว, ว่าท่านอยากได้ลูกสาวพอตั้งท้องก็เลยตั้งชื่อรอไว้ครั้นท่วนกำหนดทศมาสก็คลอดออกมาปรากฏว่าเป็นผู้ชาย คิดชื่อใหม่ไม่ทันก็เลยใช้ชื่อที่ตั้งไว้ผมก็เลยได้ชื่อว่ารสสุคนด้วยประการชนี้ท่านลงท้ายด้วยสำนวนเทศเอาละทีนี้ท่านก็รู้แล้วว่ารูปไหนชื่ออะไรต่อไปก็ตอบคำถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองได้แล้วพระรสสุคนเตือนหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามว่าอย่างไรครับพระเจริญถามอ้าว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 จะต้องถูกรีทายออกจากมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่แล้วไปเข้ามหาวิทยาลัยอื่นรวมและต้องเรียนถึงสา ม, มหาวิทยาลัยผมก็จะเรียนไปเรื่อยๆตอนนี้อายุ37จบตอนอายุ47่็ก็ยังดีที่อินเดียมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งผมก็จะย้ายไปเรื่อยๆคือถ้ามหาวิทยาลัยนี้เขาให้ออก ผมก็จะสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยสันสกฤตซึ่งอยู่ตรงข้ามกันทีนี้ถ้าเขาสอบเข้าเฉพาะปริญญาตรีส่วนปริญญาโทกับปริญญาเอกไม่ต้องสอบเข้าสมัครเรียนได้ทันทีเรียกว่าเข้าง่ายแต่ออกยากแต่ผมขอทํานายว่าท่านจะจบเมื่ออายุ49หากไม่เชื่อที่ผมพูดก็ให้จดไว้ถ้าไม่จริง ผมจะให้ปรับเอาละทีนี้ท่านก็ตอบคำถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองได้แล้วท่านถามว่ามีคนมาขอท่านบ้างหรือยังคราวนี้พระเจริญยิ้มเขินๆและก็ตอบว่าก็มีคนมาทาบถามหลายรายครับและคนหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือ อาจารย์ของผมเองคนอินเดียที่มีลูกสาวเขายัางกังวลเรื่องการหาค่าสินสอดมาให้ลูกบางบ้านพ่อต้องไปนั่งหลังเทียนเพื่อขอเงินมาให้ลูกสาวแต่งงานพวกผู้ชายเรียกค่าสินสอดแพงมากเดี๋ยวท่านก็จะเห็นเมื่อไปที่สถานรีรถไฟเฮาราที่นั่นจะมีพ่อทั้งหลายนั่งอยู่ตามชานชลา ข้างหน้าจะมีเทียนจุดอยู่เล็บหนึ่งแล้วก็มีขันสแตเลตวางอยู่เพื่อรับเงินจากผู้บริจาคพวกนี้ไม่ใช่ขอทานถ้าเป็นขอทานเขาจะตามมาขอท่านอย่าให้เชียวนะครับคืนให้ไปคนหนึ่งมันจะพากันมาเป็นร้อยๆเลยท่านถูกกรุมแน่เพราะฉะนั้นต้องใจแข็งสงสารได้แต่อย่าให้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 ให้มาแต่งงานกับลูกสาวผมและอย่าเรียกค่าสินสอดแพงนะเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้ผมเรียนอย่างไม่รีบร้อนเพราะกลัวว่ามาเรียนจบจะต้องศึกออกไปแต่งงานกับลูกสาวอาจารย์ที่ประเทศนี้มีอะไรแปลกๆเช่นเรื่องค่าตัวหรือว่าค่าสินสอดผู้ชายที่อยู่ในวรรณะสูงจะเรียกค่าตัวแพงมากในยุคพระเวท วนณะมีสี่คือพรามกษัตรแพทยสูตรวณณะพรามกับวณณะกษัตรจัดว่าเป็นวนณะที่สูงปัจจุบันวรณะชาวอินเดียได้แยกออกไปจนมีจำนวนกว่า3 0 0 0ันวณณะและเกินส0 0 0 0นุวันอนุวณณะแม้กระนั้นก็ยังมีวนณะใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆื่อบางวรณะมีสมาชิกจำนวนล้านแต่บางวนณะมีเพียงจำนวนร้อย คนที่วันละสูงด้วยร่ำรวยด้วยค่าตัวแพงเป็น ล, ล้านรูปีเลยแต่ถ้าไม่รวยค่าตัวก็จะลดลงมาปัจจุบันค่าตัวมาตรฐานของคนวันณะสูงแต่ไม่รวยคือเงินสดสองหมื่นรูปีโทรทัศน์สีขนาด20นิ้วหนึ่งเครื่องจักรยานยนต์เวสป้าหนึ่งคันคิดเป็นเงินไทยก็ตกประมาณถึงเจ็ด0มืนบาท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 ลำบากอย่างไรครับตั้งแต่ฟังมาผมยังไม่เห็นว่าจะลำบากตรงไหนพระทวัตแยง้งลำบากตอนหลังจากแต่งงานแล้วน่ะสิครับเพราะหลังจากแต่งงานแล้วนั้นต้องหาเลี้ยงภรรยาตลอดชีวิตพอมีลูกสาวก็ต้องทำงานหนักเพื่อเก็บเงินไว้เป็นค่าสินสอนให้ลูกสาวอาจารย์ของผมคนหนึ่งแต่งลูกสาวคนโตเมื่อสองเดือนที่แล้ว หมดเงินไปสองแสนรูปีเรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยลูกสาวคนเล็กแอบมาบ่นให้พ่อฟังว่าพ่อใช้เงินทั้งหมดไปในงานแต่งงานของพี่สาวตัวแกคงไม่มีโอกาสได้แต่งงานเพราะพ่อคงหาเงินไม่ทันแกคงอยากให้ท่านเห็นใจจะได้ไม่คิดค่าสินสอดหรือเปล่าพระคุณทดขัดขึ้นพระเจริญจึงตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ว่า ก็คงทำนองนั่นแหละครับแต่ผมคิดว่าหากต้องสึกไปก็จะไม่ขอเป็นลูกเขยคนอินเดียเพราะไม่อยากลำบากตอนแก่ตอนหาเงินให้ลูกสาวแต่งงานผมว่าผู้ชายไทยก็ลำบากกว่านะเพราะไหนจะเสียค่าสินสอดให้เขาและยังต้องมานั่งเลี้ยงเขาอีกพระทวัตออกความเห็นถ้าไม่อยากลำบากก็ไม่ต้องศึก ว, วดอยู่อย่างนี้แหละวันหนึ่งอาจจะได้เป็นเจ้าคุณ ถ้าปฏิบัติก็อาจจะสำเร็จพระอาหารหันต์แต่ผมคงไม่ได้ทั้งสองอย่างเพราะบารมีไม่แก่กล้าพอคงต้องรอชาติหน้าตอนใบบ่ายพระทวัตรพูดอย่างรู้กำลังตัวเองท่านพระครูจึงพูดให้กำลังใจว่าท่านอย่าเพิ่งท้อถอยพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าวายะเมเทวะปริโซยาวะอัฏฐะ นิทาเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าผลที่หมายจะสำเร็จบัดนี้เรามาอยู่ในแดนพุทธภูมิแล้วมาทัศนะศึกษามาระลึกถึงพระกรุณาคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงสงสารสั่งสอนชาวโลกให้พ้นทุกข์เราเป็นสากยบุตรพุทธโอรสจะต้องดำเนินตามรอยพระบาทของเสด็จพ่อ ขอบคุณหลวงพ่อที่ให้กำลังใจผมผมตั้งสัจจะไว้แล้วว่ากลับไปจะต้องขอเรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อผมจะดำเนินรอยตามบาทของเสด็จพ่ออย่างที่หลวงพ่อทำอยู่ผมไม่คิดจะศึกไปแต่งงานกับสาวอินเดียหรอกครับประโยคหลังท่านสัพพยอกพระเจริญ โยมเสงเข้ามาในห้องที่พระภิกษุหรูปนั่งฉันน้ำปานะอยู่และนิมนต์ท่านขึ้นรถเนื่องจากโยมรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วพระเจริญจึงเดินนำหน้าภิกษุ5รูปไปยังรถบัสซึ่งจอดห่างจากพุทธการประมาณ30เมตรจากนั้นคนขับก็ออกรถมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟเฮาราญาติโยมเป็นอย่างไรบ้างอาหารแขกอร่อยไหม พระมกุเทศทักทายคณะผู้แสวงบุญก็พอทานได้ค่ะนี่ขนาดพธธัตคารนะคะถ้าเป็นร้านข้างถนนสงสัยจะทานไม่ลงเสียงโยมผู้หญิงบ่นไกล่ไกลไม่ต้องสงสัยหรอกโยมอาตมารับรองว่าโยมทานไม่ได้แน่นอนขนาดอาตมาเป็นพระอย่างฉันไม่ลงตอนที่ยังไม่ได้มาเคยได้ยินพระที่เมืองไทยพูดอย่างนี้ อาตมายังนึกตำหนิว่าท่านเป็นพระน่าจะปรงปรงเสียบ้างแต่พอมาอยู่ที่นี่ถึงได้รู้ว่าจะปรงขนาดไหนก็ยังฉันไม่ลงอยู่ดีมันยิ่งกว่ากินดินอีกนะสํานวนที่ว่าดีกว่ากินดินหน่อยนึงใช้กับที่นี่ไม่ได้เลยแล้วดินเมืองแขกก็กินไม่ได้เพราะแขกเข้าถ่ายหนักถ่ายเบากันทั่วไปหมดถ้ากินดินคือต้องกินขี้แขก อาตมาต้องขออาภัยที่ไม่ได้ใช้คำว่าอุจาระเพราะคนไทยเขาไม่พูดอุจระแขกแต่พูดว่าขี่แขกกันทั้งนั้นหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านมาจากวัดทางภาคอีสานท่านตั้งไว้เป็นสูตรเลยว่าใครมาอินเดียทาไมเห็นแขกนั่งขี่กับไม่ได้เยียบขี่แขกแปลว่ามาไม่ถึงอินเดียถ้าอย่างนั้น ผมก็มาได้ครึ่งทางแล้วสิครับเพราะเมื่อตอนหัวข้ามผมเห็นคนนั่งถ่ายอยู่ข้างถนนหลายคนถ้าได้เหยียบก็แสดงว่าถึงเต็มร้อยโยมผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นอย่าเหยียบเลยนะคะแค่ น, นี้ก็กลิ่นไม่สะอาดแล้วขืนเหยียบขี้แขกก็คงจะเหม็นกันทั้งรถเสียงโยมผู้หญิงโอดครวนท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่า โยมก็กำหนดกรินเนาะสิอาตมาว่ดีนะโยมจะได้ทำบทฝึกหัดที่ประเทศอินเดียนี้โยมที่เคยปฏิบัติกรรมาฐานมาจะได้ทำบทฝึกหัดมากมายอาตมาจะช่วยสอนอารมณ์ให้ทีนี้ก็จะได้รู้ละว่าสอบได้หรือสอบตกโยมผ่องใสคิดว่าจะสอบผ่านหรือเปล่าท่านหันไปถามคนเป็นหัวหน้าคณะผู้สแสวงบุญ ยังไม่ทราบเราค่าหลวงพอ่อก็ยังไม่ได้สอบนีคะแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าสอบผ่านหรือว่าไม่ผ่านก็จริงของโยมงั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปโยมปฏิบัติมากี่ปีแล้วล่ะใครเป็นครูบาอาจารย์ท่านถามพระโยมผ่องใสไม่เคยมาเข้ากรรมฐ า, านที่วัดป่ามะม่วงเคยมาทอดกรถิ่นสองครั้งเท่านั้น โยมปฏิบัติมาสิบปีแล้วล่ะค่ะเป็นลูกสิบท่านเจ้าคุณโชโดกท่านอยู่คณะห้าวัดมหาธาตุค่ะก็อาจารย์เดียวกับอาตมานะซีอาตมาเคยไปเรียนกรรมฐานที่คณะห้าสองครั้งเมื่อปี2494ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งกับปี2498่า แล้วก็เริ่มสอนกรรมฐานมาตั้งแต่ปี2495สมัยที่ยังอยู่วัดพรหมบรุรีอาตมาไม่ได้ไปกราบท่านเจา้าคุณอาจารย์มานานแล้วท่านสบายดีหรือสิทธิถามถึงอาจารย์สบายดีค่ะแต่หมูนี้สุขภาพท่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมอบอกว่าท่านเป็นโรคหัวใจค่ะอย่างนั้นหรือ กลับไปอาตมาเห็นจะต้องหาโอกาสไปกราบเยี่ยมท่านแล้วพวกบ้านโยมปฏิบัติด้วยหรือเปล่าท่านหมายถึงโยมเสงี่ยเฮียเขาไม่มีเวลาปฏิบัติหรอกค่ะหลวงพ่อเขาต้องดูแลกิจการค้าแต่เขาก็ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันแล้วก็ชอบทำบุญมาครั้งนี้เขาก็หอบเงินมาทำบุญตั้งรวมแสนโยมโชคดีที่ได้แต่งงานกับเขา เฮียเขาไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้แล้วก็ตามใจโยมทุกอย่างโยมจะไปทำบุญที่ไหนกับใครเขาก็ไม่เคยขัดถามคำเดียวว่าจะใช้เงินเท่าไรแล้วก็ให้ตามนั้นบางครั้งให้มากกว่าที่บอกซสอีกโยมผ่องใสพูดชมสามีให้ท่านพระครูฟังโยมเสงไม่สนใจว่าภรรยาจะพูดติหรือพูดชม พระภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเมืองกันกัตตาหน้าสนใจมากกว่าเสียงพระมะกุเทศบรรยายว่ากันกัตตาเป็นเมืองท่าสำคัญในยุคที่อังกฤษครอบครองอินเดียและเคยเป็นเมืองหลวงในยุคนั้นคือในราวพุทธศักราชสองพถ้าเทียบเคียงกับประเทศไทยก็ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเพทราชา พระมหากษัตริย์ลำดับที่ยี่สิก้าแห่งอยุทยาเพราะว่าเคยถูกอังกฤษครอบครองและก็เคยเป็นเมืองหลวงนี่เองที่ทำให้เมืองกันกระตาเต็มไปด้วยอาคารขนาดใหญ่สไตล์ยุโรปไม่แพ้เมืองใหญ่ของประเทศตะวันตกในสมัยนั้นเมืองนี้มีประชากรหนานแน่นประเทศอินเดียมีขนาดใหญ่กว่าประเทศไทยแเท่าแต่ว่ามีประชากรมากกว่าหลายสิบเท่า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 เด็กหนุ่มสามคนยังขนสัมภาระลงจากรถไม่เสร็จจึงต้องพากันยืนรอผู้นําทัวร์ต่อรองราคากับพวกกุลีซึ่งถูโอกาสโกงราคาต่อรองกันอยู่นานจึงตกลงกันไม่ได้เมื่อเด็กหนุ่มสามคนขนลงมาจากรถเสร็จผู้นําทัวร์จึงให้ค่าทิปคนละ30บรูปีให้คนขับห้สิบรูปีส่วนค่าเช่ารถพระเจริญได้จ่ายให้เจ้าของเรียบร้อยแล้ว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 ผู้นำทัวบอกให้คณะผู้สแสวงบุญเดินตามพวกกุลีไปและพยายามเดินให้ทันมิฉะนั้นพวกเขาอาจจะแบกสัมภาระหลบหนีไปก็ได้พวกกุลีมีเป็นร้อยๆยคนและหน้าตาก็คล้ายๆกันจึงไม่รู้ว่าใครเป็นใครนอกจากหน้าตาคล้ายกันแล้วก็ยังแต่งตัวเหมือนกันคือนุ่งผ้าปานสีขาวลักษณะคล้ายล้าจงกระเบนใส่เสื้อแขนยาวสีแดง ซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบของกุลีท่านพระครูรู้สึกสงสารกุลีคนหนึ่งเป็นพิเศษที่สงสารเพราะคอเขาเอียงไปด้านขวามากจนไม่อาจใช้ศรีรษะแบกสัมภาระเชกเช่นคนอื่นๆได้ต้องใช้บาแบกแทนสมภารวัดป่ามะม่วงอยากรู้ต้นสายปลายเหตุว่าทำไมเขาจึงมีสภาพน่าสงสารเช่นนี้จึงใช้เห็นหนอช่วยตรวจสอบ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 เมื่อรู้ต้นสายปลายเหตุเช่นนี้แล้วท่านพระครูจึงวางอุเบกขาคิดซิว่ากามุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพวกกุลีแบกสัมภระเดินเรียงแถวเข้ามาในชานชลาซึ่งคลากล่ำไปด้วยผู้คนนับหมืน่นท่านพระครูไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าสถานีรถไฟทำไมจึงมีคนมากมายถึงปานนี้ เสียงเอะอะอื้ออึงละคนกับเสียงเรียกกันดังโวกเวกเจียวเจ้าเหมือนชาวประมงแย่งปลากันฉะนั้นบรรดาพ่อที่นั่งหลังเทียนก็ต้องคอยหลบด้วยเกรงจะถูกเหยียบบางครั้งเทียนก็ถูกคนเดินเหยียบจนหักล้มลงหลวงพ่อดูคนพวกนี้สิช่าง น, น่าสงสารแท้จริงไม่รู้ว่าเขาจะได้เงินบ้างไหมผมไม่เห็นมีใครให้เขาเลย